ยาภายนอกพักพ่อนหลับนอนออกกนลังกายบ้าเรื่องเกี่ยวกับอาหารนันก็เป็นยาภายนอกนะรสทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารสีโต้ลิงกาลาหาอาหารุกรมข้าวพัชอาหารอาหารเพื่อสัมผัส จะเกิดสัมผัสโตจัดสัมผัสขาสัมผัสคิวหาสัมผัสกายละสัมผัสอันสัมผัสสัมผัสเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารมื่โนเจตนาอาหารคือมโนเจตนาเจตนาที่นึกคิดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอาหารของฉัตว์ที่ท่องเที่ยวในวัตาลสงสารริญญาณอาหารอาหารคือริญญา อันนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์เรียกว่าอาหารสี่จักขูวิญญาณอาศัยรูปกระทบทในตาเกิดความรู้ขึ้นเรื่อยจากขูวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรื่อยคิวหาวิญญาณอาศัยเรียกโสตากปิญญาณอาศัยรูปกระทบริ้งเกิดความรู้ขึ้นเรื่อยคิวหาวิญญาณอาศัยโผล่ทัพทะ กระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความรู้ขึ้นนี่ก็เรียกว่ากายวิญญาณอาศัยธรรมารมเกิดขึ้นกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกโมโนวิญญาณวิญญาณหกจักกุวิญญาณโสตวิญญาณภาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณอันนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์สัตว์ทั้งหลายต้องติดอยู่ก็ยังถอนอุปทานไม่ได้ ส่วนท่านผู้ถอนอุปทานไดนะ้แล้วท่านก็ไม่ติดอยู่ท่านก็รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามจริงด้วยมุดพ้นไปตามนจริงด้วยอย่างสบายเพราะเหตุใดเพราะท่านทเทยพิจารณาคุณ ม, มีเท่าใดโทษมีเท่าใดท่านรู้จักหมดทันเป็นของกีรังยังยืนอยู่ไม่ท่านก็รู้จักหมดที่ไหนจับทั้งหลายยังมีตา พราสัตว์ทั้งหลายชอบเลียงเล่ดูรูปติดอยู่ฉนัยสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงเสียงแพร่ร้องชนะโสก็ติดอยู่เสียงที่ไม่แพรสร้องชนะโสกก็โกรธเสียงที่อยู่ ก, กลางๆางก็วางอเบกขาตาก็เหมือนกันเหตุฉนสัตว์จึงมีหู เพราะสัตว์ชอบฟังเสียงกำนัดในเสียถ้าเป็นเสียงที่ไพเราะสนุกโสดก็สวยสุดคฤหิธนาถ้าเป็นเสียงที่ไม่ไพเราะสนุกโสดก็นึกโกรธก็เสวยสุดขฤหิธนาถ้าเป็นเสียงที่กลางๆไม่ไพเราะด้วยไม่น่าโกรธด้วยระวังโอเบขาจ้ะ หูจมูกรีดกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันมีประมายอันเดียวกันท่านผู้พิจารณาอนิจจังพิญญาลงถึงธาตุเป็นเจ้าสาวธาตุคือจะขุ่ธาตุโสตธาตุพานาธาตุสิวหาธาตุสายะธาตุมโนธาตุธรรมธาตุตาหูจมูกรีดกาย กับโลกกับรูปพระโลกมีความหมายอันเดียวกันกับรูปพระธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปพระธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปขันธ์ก็มีความหมายอันเดียวกันทิ้งแล้วนี่เกิดขึ้นแม้ก็แปรงปวนและแรงสลายไม่อยู่ในอำนาจวัชนะของขันธูดายโดยดินน้ำไฟลมทั้งภายนอกและภายใน ภายในคืออัจฉตายาตอัจฉตาธรรมคืออยู่ที่สกลกายของแต่ละท่านและบุคคลแต่ละสัตว์และบุคคลมีธาตุดินน้ำไฟลมสมดุลกันอยู่ตามสิติกําลังธาตุดินน้ำไฟลมกับโลกภายในก็อันเดียวกันกับสังขารภายในก็อันเดียวกัน กับรูปโลกกับลูกประโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปธรรมก็มีความหมายอันมมอเดียวกันกับลูกขันก็มีความหมายอันเดียวกันเกิดขึ้นแล้วแต่ปวนแล้วแต่สลายที่นี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความนึกคิดความสวยอารมณ์ก็เหมือนกันเดี๋ยวสวยสุขเดี๋ยวสวยทุกข์เดี๋ยวสวยอุเบกขาวนเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอๆเพราะเหตุไหนจึงวนเวียนเปลี่ยนไปมา ก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแต่ปวนในแต่สลายกรรมฐานทุกๆ ก, กรรมฐาน mm hmm. เพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปกรรมฐาน mm. เพ่งนามเป็นอารมณ์ก็เรียกว่านามกรรมฐานหรือเพี่งเพ่งโลกเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปประโลกอนียวกันหรือเพ่งนามเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารมประโลกหรืออารูประธรรม หรืออารมู ป, ปขันหรืออารมูปธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันหรือรูปอปินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั่วกลาวเกิดขึ้นแล้วเปลีวนแลงและแตกสลายเหมือนกันหมดเมื่อจีรังยังยืนหรือรูปสังขารก็เรียกหรือนามสังขารก็เรียกรูปประโลกอารู ป, ประโลกก็เรียกรูปธรรมอารู ป, ประธรรมก็เรียก ขณะนท่านจึงให้เพ่งรูปเป็นอารมณ์เพราะพระสัทธรรมหลายลงลผผลลรูปผมพ้นแล้วแล้วฟันเหลืองเราเองกระดูกเรื่อในกระดูกว่าหัวใจ ต, ตาตองตื้อไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้ก็เป็นรูปขันจัดเข้าในธาตุดินจัดเข้าในรูปขันมีดินน้ำไฟลมผ ส, สมกันอยู่สมดุลกันอยู่ลมพัดขึ้นเมืองบ น, บนลงพดงเมืองต่ำลมในท้องลมในไส้ ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นธาตุลมมาโยธาอันเป็นธาตุภายในเตโชธาที่เป็นธาตุภายในไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้ทุดโทรมไฟที่ยังกายให้กวนกะมาณไฟที่เผาอาหารแทนย่อยไฟสี่ลมหก สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นาธาตุไฟเพราะมีความอบอุ่นเป็นลักษณะาธาตุน้ำที่นี่ดีสเลตน้องเลือดเหนื่อมันข้นน้ำตาเปรวมันน้ำลายน้ำ ม, มูกน้ำไขข้อน้ำ ม, มูดอันนี้เป็นลักษณะาธาตุน้ำผสมกันอยู่สัมตัยุดกันอยู่เกิดขึ้นเรือยกประแปรกว น, นแต่แสลาย ทั้งหลายเข้าไปเป็นสงคามก็ส yes. okay. ิ้นลงอดีตก็ไม่มาเป็นสงคามกับอนาคตและไม่มาเป็นสงคามกับปัจจุบันแต่ผู้ที่หลงอดีตผู้ที่หลงอนาคตผู้ที่หลงปัจจุบันยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นแบบเป็นบุคคลโดยจริงจังไปเป็นทสงครามก็สิ้นลงแน่นอนตนเองสมมุติใช่ตนเองเข้าไปหลงทร่นี่ทั้งหลายหากเป็นอ่งนั้น ในโลกไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใครมีอนิจจังเป็นเจ้าโลกมีทุกขังเป็นผลลัพธ์และอนาาัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าโลกหรือกิเลสเป็นเจ้าโลกก็ถูกความหลงเป็นเจ้าโลกก็ถูกกรรมาฐานใดๆในโลกน้อมลงสู่ตายรักทั้งนั้นนิมิตใดๆในโลกก็น้อมลงสู่ตายรักษทั้งนั้น นิมิตเป็นเครื่องหมายหมายในรูป ก, ก็เรียกว่านิมิตรูปหมายในนามก็เรียกว่านามานิมิตเกิดขึ้นเนี่ยแปลโปรเนแตกสลายทั้งนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้ายับแบดเกิดขึ้นเร็วดับเร็วชั้นใดเวทนาสัญญาสังขารจินยานก็อย่างนั้นหัวฝีเกิดขึ้นเนี่แตกสลายชั้นใดเวทนาสัญญาสังขารจิน ญ, ญ, ญานก็ อยางนั้นชีวิตินรีของสัตว์้งหลายเกิดขึ้นแล้วแตกสลายธาตุชนะดินมีความหมายอย่างไรก็อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเหมือนกันหรือตอนน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเหมือนกันที่ฝ น, นตกลงมาเป็นตอนน้าขึ้นก็แตกสลายเลย ในในในโลกล้วน <c oughs> อานิจจังได้ได้ในโลกล้วนทุกขังเป็นผลมาจากอานิจจังได้ไดในโลกล้วนอนัตตาก็เป็นผลมาจากอานิจจังเพราะสิ่งเหล่านี้โยงถึงกันที่นี้สิ่งใดไม่เที่ยงจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อย่างปฏิเสธไม่ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ถึงท่านไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันทุกมีทาา่าใดอนิจจังก็มีเท่านั้นอนัตตาก็มีเท่านั้นย่นทุกลงเป็นหนึ่งก็ย่นอนิจจังลงเป็นหนึ่งก็ย่นอนัตตาลงเป็นหนึ่งนั่นก็จะรัมันคันนาน า, า, านนาธาตุญาณย่นธาตุลงเป็นหนึ่งธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดินก็ย่นลงเป็นหนึ่ง เอกภพเทวธาตุในปัจจุบันธาตุ น, น้ำก็ย่นลงเป็นหนึ่งเอากาโกธาตุในปัจจุบันธาตุไฟก็ย่นลงเป็นหนึ่งเอกเตโชธาตุในปัจจุบันธาตุลมก็ย่นลงเป็นหนึ่งเอกวายโอธาตุในปัจจุบันอดีตคืออะไรคือชชดินน้ำไฟลมที่ว่ามาแล้วอนาคตคืออะไรคือธาตุทั้งหลาย ถ้าดีนาไปลงที่ยังไมมาถึงมีแต่บัญชีเท่านั้นอดีตมันล่วงมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีในปัจจุบันหมดเร <c oughs> าพิจารณาพุทธโธคุณของพุทโธก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ลมแรงไม่ใช่ลาเพื่อละเมอพืมพรมไปไม่มีประโยชน์มีอยู่จริงคุณพุทธธรรมประสงค์มีอยู่ในปัจจุบันจริง คุณยับยบั้บวัจัยสี่กีวานมิธาบาทเสนาสนะของ พ, พระพุทธธรรมประสงค์ทางนั้นด้านธรรมะที่เรารู้จักคิดชอบชั่วดีก็คุณของพระพุทธธรรมประสงค์ทางนั้นในด้านจิตใจเหตุเช่นนั้นจึงไม่มีประมาณอาประมาณโอพุทโธคุณของพระพุทธนั้นมีประมาณอาประมาณโอสมโภคุณของพระธรรมก็ไม่มีประมาณเอาประมาณโอสังคโฆ ค, คุณของพระนุยาสงฆ์ก็ไม่มีประมาณ ผู้มีปัญญามากก็เห็นมากผู้มีปัญญาน้อย ก, ก็เห็นนอ้อยผู้สายตายาวก็มองได้ไกลผู้สายตายสั้นก็มองได้ใกล้ผู้มีกำลังมากก็แบกของหนักได้มากผู้มีกำลังน้อย ก, ก็แบกของได้นอ้อย mm hmm. ปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่รอดบาป บ, บุญคุณโทษจะปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่รอดเพราะจะเป็นผู้สร้างขึ้น คำว่าตนก็ตนตามสมมุติจะปฏิเสธไม่ได้คำว่าตนเป็นฝ่ายเขียนคาว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นฝ่ายลบถ้ามีจะเขียนไม่ลบ ก, ก็ไม่มีที่เขียนอีกกระดานดําอันเดียวฉันใดก็ดีถา้าถ้ามีแต่สมมุติวิมุติก็ไม่มีวิมุตก็คือความรู้พ้นจากสมมุติสมมุติแล้วิมุติ เมื่อในมาเป็นสงคามกันจิตใจผู้ที่หลงไปเป็นสงครามตนเองต่างหากอดีตอนาคตปัจจุบันก็มาเป็นสงครามกับใครแต่ผู้ที่ไปหลง อ, ง human human. อดีตอนาคตว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นศัตรเป็นบุคคลเป็นสงครามกับตนต่างหากเป็นปัญหาของตนต่างหากไม่ไม่ใช่ปัญหาอดีตปัญหาอนาคตปัญหาปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาของสมมุติไม่ใช่ปัญหาของเวมุติ ไม่ใช่เป็นปัญหาของเขียนไม่ใช่เป็นปัญหาของลบมีมีความหมายอันเดียวกันจนเป็นปัญหาอยู่กับเขียนจนเป็นปัญหาอยู่กับลบต่างหากทำในพระพุทธศาสนาเป็นทําที่ลึกซึ้งพระพุทธเจ้า ก, ก็ยิ่งลึกไป ถ้าพูดให้ตื้นเป็นของตื้นผู้มีกําลังมากก็บอกว่าของอันนี้ไม่หนักผู้มีกําลังน้อยก็บอกว่าเบกไม่ไหวดอกท่านเจีงเทียบใส่พญาพุธพญาพุธลงไปสู่น้ามหาสมุทรทะเลบอกว่าเพียงเข่าเรานี่เองไม่ลึกเลยเหมปลาตัวเล็ก เขาบอกว่าลึกทีนี่ทีนี้ปาทิมิงเขาก็บอกว่าไม่ลึกเลยไม่พอบวกหัวโบกท้ายวนเวียนไปมาไม่สะดวกน่าไม่ลึกฉันในกรณีผู้มีปัญญามากคําสวงของพมโรมัสสากสด า, าก็ถือว่าไม่ลึกไม่ลึกผู้ที่มีปัญญาเนาะก็ถือว่าเหลือเป็นของเหลือวิสัย เป็นของลึกช่างลากสุงมันก็ถือว่ามันพอลากได้อยไม่หนักแต่พวกเราไปลากมันไม่ได้เพราะไม่มีกำลังมันเทียบไปคล้องกับหยากอย่างนี้ทำไมถึงให้เพ่นกรรมฐานเพราะอยากจะให้รู้ามเป็นจริงด้วยการดูอะไรทะาวิ่งดูมันไม่ชัด ขาให้ยืนดูเถิดเขาให้นั่งดูเถิดเขาให้หยุดดูเถิดทั้งวิ่งดูเลยมันไม่ชัดเพราะฉะนั้นจึงเพ่งดูในปัจจุบันให้ชัดรมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งคุณ พ, พระพุทธธรรมประสงค์อยู่รอบหนึง่งมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายรอบหนึ่งมีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมรอบหนึ่งเหมือนกันมีทั้งอนิจจังอทุก ข, ขังอาตารรอบหนึ่งเหมือนกัน มีทั้งมรรคผลที่พานรอบหนึ่งเหมือนกันมีทั้งศีนสมาธิปัญญารอบหนึ่งเหมือนกันสีแปลว่าตัดสินลงในปัจจุบันสมาธิแปลว่าตั้งมั่นในปัจจุบันปัญญาแปลว่าหอกลูกในปัจจุบันสีแปลว่าตัดสินลงในแต่ทักศัพท์ว่าเอาตัวนอสกดเสียที่มีสีแต่ก่อนเอาตัวละลิงสกดลที่มีแป่ทักศั พ, พท์บอกว่าตัดสินตัดสินต้งในลมเข้าลมในลมออก ตั้งมั่นในลมเข้าในลมออกเรียกว่าสมาธิรอบรู้ในลมเข้าลมออกเรียกว่าปัญญาเรียกว่าโลกแวดความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาลมเข้าลมออกเป็นสังขารชนิดหนึ่งจิตใจที่บัญญัติว่าลมลมก็เป็นจิตตะสังขารแม่เล็กดีย่อมดึงดูดเหล็กทั้งหลายมาเหตุฉะนั้นเข็มทิศจึงชี่ไปในทางทิศเหนือ ชั้นใดก็ดีกรรมฐ า, านทางปวงก็ต้องลงรวมในอาณาปานสติรวมให้ใจเข้าออกทั้งนั้นพี่เรณาความตายความตายก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าไม่เชื่อกปิดกู้จมูกดูปิดปากอีกไว้แล้วก็ที่รินลนมความเกิดก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้ามีทุกลมถ้ามีลมใา้ใจเข้าออกก็เรียกว่าเกิด อ, อยู่ทุกเวลาบางท่านบอกว่า ตายแล้วเกิดหรือไม่แล้วก็ตายอยู่ทุกวันทุกวินาทีแล้วก็เกิดอยู่ทุกวินาทีตายจาก้าวสายบใบที่อ่ะตายจากความนึกคิดนักทางหลวงแล้วก็เปลี่ยนเวียนวนอยู่อุบายใดที่จะเบื่อหน่ายสายมองในววัฏสงสารอุบายนั่นเองเป็นคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายอุบายใดที่จะทําให้ เพืินในวัฏสงสารอุบายนั่นหละ่ะเป็นวิชาของกิเลสเป็นวิชาของความหลงเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายงายบุคคลพุทธําต้อยไม่มีวัชนาไหนะจะจรู่ตะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แต่ถ้าปับไปแก้กับพรอ ย, ยจะไปพบพลอยก็ไม่รู้วิธีจะทํา ของที่ดีย่อมมีเกะประโยชน์แก่ผู้นับใชัยถ้าไม่รู้จักใช่แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ศาสนา อ, อื่นๆเรา ม, ม, มีมีดาษดื่นทั้งเทเราไม่เอามาคนเปนึกคิดให้เสียเวลาเพราะความเชื่อของเราดิ่งลงถึงก็พุทธธมประสงค์ชัดแล้วระกอบด้วยปัญญาไม่ได้เชื่อตามตื่นข่าวไม่ได้เชื่อด้วยความ ลำเอียงด้วยความรักไข่จันกันชั้นชาคติโทชาคติโมหคติพยาคติถ้ามองไปที่ไหนเห็นแต่กองทุกข์ทั้งไกลทั้งใกล้ด้วยอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้ชวนพิจารณาจะเป็นเหตุมาให้ว่าวใจในวัฏสงสารจิตใจก็นับวันจะสูงขึ้น เมื่อจิตใจสูงขึ้นในตอ น, นไหนๆทำตอนนั้นนั้นก็สูงขึ้นเมื่อจิตใจต่ําลงในตอ น, นไหนๆทำตอนนั้นก็ต่ําลงถ้าทำกับใจเป็นคู่กันนิพพานทำเป็นคู่กับใจหรือไม่นิพพานทำในอนุปาทิเสสนิพพานไม่มาเป็นคู่กับใจแต่พระหันยังทรงชีวิตอยู่มาเป็นคู่กับใจพใจที่คนจากกิเลิ เขาทำใจพ้นจากกิเลสส่วนพระหาตายแล้วไม่มีใจจะเป็นคู่กับธรรมเพราะเป็นธรรมล่วนๆไม่เป็นหน้าที่ที่จะบริหญญารตัใจเพราะไม่สมฐานะสมาธิเมื่อหมดกำลังก็สอนออกมาสมาธิแ ท, ท, ท้ก็ยังอยู่ใต้อำนาจอานิจจัง ผู้พิจารณาอนิจจังทุกครั้งอนาตากลมกลืนกันในขณะเดียวอยู่ในเป้าอันเดียวกันอยู่ในขณะกิจเดียวเชื่อมลึกยมือติดต่ อ, อกันไปไม่ขาดสายก็เรียกว่าผู้นั้นพิจารณากรรมฐานในพระพุทธศาสน า, นาสทุกๆกรรมฐา น, า ท, กกนทางนั้นก็เป็นสถานีที่รวมธรรมะของพระพุทธศาสนา เบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายอนั้นตคลายมาก็ต้องคลายจะเอาอนันต์รพ้นกับรูพ้นอนันต์ทิจณาอนิจจังให้เบื่อหน่ายพิจนาทุกขังให้เบื่อหน่ายพิจนาอนัตตาให้เบื่อหน่ายไม่ใช่ว่าจะหอบอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพระนิพพานด้วยสมผลในควันน้ำเลือดเองกระดูกก็เหมือนกันพิจนาให้เบื่อหน่ายเหมือนกันพิจารณาลูกให้เบื่อหน่ายไม่ใช่จะหอบไปพระนิพพานด้วย พนิพานคืออะไรคือดับเพลินในวัฏจัรสงสารโลกถ้าขยายออกก็โลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกใจโลกธรรมารมทั้งภายนอกและภายในจะบัญญัติว่าโลกหกก็ถูกจะบัญญัติว่าโลกสิบสองก็ถูกโลกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอันจำกัดอะไร ตำรวดกองปรากคือใครคืออนิจจังทุกครั้งอ า, าัตตาปราบโลกอยู่ไม่จช ก, กระเทียนไม่มีวันทิดวันเสาเป็นจริงด้วยอย่างนั้นยะถาภูตังสำนึกปัญญายาทัศพันท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิอนี่เป็นธรรมชั้นสูงไม่ใช่สมาธิของตวตโตสินพอมอยู่กับทุกลมให้ใจเข้าออกยิ่งดี กรรมาฐานอะไรอะไรก็ตามเห็นพ้อมอยู่ทุกลมให้ใจท้อออกยิ่งดีผู้จเจริญพุทโธก็เหมือนกันผู้จเจริญร่างกระดูกกลเหมือนกันผู้จเจริญความตายก็เหมือนกันผู้จเจริญพรมมาวิหารก็เหมือนกันค่อยห้วงของเรทั้งเส้นจงมนสู่ทุกเมื่อทุกเมื่อก็ทุกลมให้ใจท้อออกเดี๋กว่าทุกเมือ่อเหนื่ย่งลงมาในกรรมฐานอันเดียวได้ทั้งนั้น พิจนาเมตตาลงจนถึงอนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีเวรธรรมที่ไม่มีภัยผู้ลูกที่ไม่มีเวรผู้ลูกที่ไม่มีภัยเป็นแต่สักว่าลูกก็าตามแต่เป็นสักว่าลูกที่ไม่มีเวรไม่มีภัยผู้ลูกในอนัตผู้ผู้ลูในเมตตาผรมนิหาร <ST AN IC> เป็นที่อยู่ของผมเป็นที่อยู่วิหารของผมผู้มีเมตตา ท่านบรมศาสดาจึงยืนยันว่าเวลาเดินเวลาเราเดินจ ก, กรมกลับไปต่อมาเราเพ่งพรหมมือหารนั่นแหละเป็นทางของกรมอย่างาูอยนี้เวลาเราเดินจง ก, กรมกลับไปต่อมาเราพิจารณาคุณพระพุทธธรรมพระสงกลมเกินกันในขณะเดียวเพราะนั่นแหละคือทุอนทางของกรมถ้าเรานั่งอยู่เราพิจารณาอย่างนั้นก็เรียกว่าที่นั่งของกรม ถ้ารนอนอยู่เราพิจารณาอย่างนั้นก็เรียกว่าที่นอนของตงนหลวงปูนะนอนที่หาสายยากนอนเหมือนราชสีนอนตะแค ง, งข้างขวานอนหงายเป็นทีสัสของเปตที่เกิดมาแล้วกรเขาหน้าชาตินอนตะแคงข้างซ้ายนอนในทางการ ม, มาลง แต่เราตะท้าโคตนอนทางไหนก็ไม่เป็นปัญหาตะท้าคตนอนอยู่ที่การเพ่งพิจรณาธรรมะคือนอนในฌานฌานังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิ์ก็แปลว่าตั้งมั่นในการเพ่งอยู่ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในการเพ่งอยู่อันเดียกันศีลแปลว่าตัดศีลลงในการเพ่งอยู่ศีล ส, สมาธิปัญญาก็เป็นตัวเดียวกัน หนังกับเนื้อกับเอกับกระดูกก็เป็นอันเดียวกันอัี้ะมันยะกันอยู่อาศัยเึงกันและอ่านกันยังอาศัยอยู่นะถ้าเห็นหนังก็ต้องเห็นเนื้อถ้าเห็นเนื้อก็ต้องเห็นกระดูกถ้าเห็นพุทธโธก็ต้องเห็นธรรมโมอยู่ในที่นั้นก็ต้องเห็นั้างโคอยู่ในที่นั้นเป็นอันเดียวกันกลมกืนกันถ้าเห็นหน้าก็ต้องเห็นตาเห็นจมูกพรากลมกืนกัน เธอทั้งหลายยังไม่พ้นทุกข์ในวัาสงสารเธอทั้งหลายอย่านอนใจเถิดบวลวมษาไปเลเดี๋ยวเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังนะตาลเสืกใจเลืเกินเธอทั้งหลายจงรีบวิทน้ำออกจากเรือคือกิเลสถ้าเธอวิตน้ำออกจากเรือแล้วเรือจะถึงฝั่งโดยง้า ถ้ายังไม่ถึงวิศาสะยานอนใจถืดจะไม่ยอมมาเป็นทาเกิดทา่าเก่ทา่าเก็บทาตทายเป็นของสาคัญมากช่างหัวมันเถิดอยูไปตามยะถากรรมถ้าความนึกความคิดเข็มอย่างนั้นผลนึกความคิดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นที่สบายของเราอีกเพราะเราไม่ใช่คนณช่นนั้น ใช้สร้างหัวมันที่เกิดมีท้งไปหรือเกิดหรือไม่เกิดก็สร้างหัวมันแต่เราตาสายเกยวแล้วมันก็ไม่ยืนยันในทางนั้นการเห็นชนี้นั้นทำเห็นชัดนี้นั้นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เสีเยแน่ไม่เป็นที่อบอุ่นของใจเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบาลามีของพวกเราสร้างมานานเลย ไม่ใช่คนอยู่ในกอธลอากาขอธลอาคาไม่ใช่อยู่ในเลขหนึ่งเลขสองเลขสามสูงไปกว่านั้นเลยหนึบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไม่ใช่อยู่ในเด็กนะสูงไปกว่านั้นเลยไม่ใช่ชั้นเตรียมไม่ใช่ชั้นประสมหนึ่งเรียนมัธยมแล้วก็ปริญญาแลย ยาจะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้คือพิจารณากรรมฐานตีเนะปริญญากำหนดด้วยการพิจารณาคือพิจารณากรรมฐานปหารปริญญากําหนดรู้ด้วยการละเสียิเพราะพ้นไปแล้จากความงงทางพวงเรียกว่าละเสียปริญญาสามชาโลกก็เอาเป็นริญญาสามมาใช่เหมือนกัน ปริญญาตีปริญญาโทป ร, ริญญาเอกปริญญาตีในทางพระพุทธศาสนาคือพระสวดาบันปริญญาโทคือพระจักกะสาคามีอนาคามีปริญญาเอกคือพระอรหันน์คราวไหนโลกอนมานมากก็ในคราวนั้นโลกปีนเกลียวในทางพระพุทธศาสนามาก เพียงชิ้นห้าเท่านั้นละ่ะพระพุทธโลกจะสงบเพียงไห น, นต่างก็มีชิ้นห้าด้วยกันหมดทั้งโลกการอาธิบาทไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะก็นิยมกันในการกินสิ่งที่ไม่มีเลือดมีมีน้ำ อ, อธินาทานที่นี้ชาติอาวุธรงไม่ต้องสร้างขึ้น ก็ไม่มีการฆ่าการแกงจะสะดวกสบายสักเพียงไหนทีนี้ไม่เลแวแรงสงสัยกันนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีการฆ่าการกงกันทีนี้อธิมนาธานทีนี้การรักขโมยก็ไม่มีถ้าปฏิบัติข้อนี้ได้หมดทั้งโลกกุญแกก็ไม่ต้องทําทหารก็ไม่ต้องมี ตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเป้าออกันเขียนบอกไว้แล้วก็ราคาเท่านั้นเทนี้แล้กวก็ถึงเวลาตอนเย็นก็มานักเอาเงินเท่านั้นอันไหนขายไปอันไหนไม่ขายไปมันขายหมในตัวการมเมษวิาจายจาย์ถ้าหากว่าโลกเคารพส่วนนี้ ลูกใครเมียใครหัวใครไปอยู่ด้วยกันก็เป็นธรรมล้วรูวไม่เราได้ระแวงสงสัยอย่างนี้การค่าการแทงกนันในตอนนี้ก็ไม่มีจะสมบเพียงไรอย่างนี้โลกมุสาที่พูดปดหลอกลวงใครพูดก็เป็นความจริงท้งนั้นเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็น ไม่มีโกหกพกลมไม่เสียเวลาแก่ผู้พูดด้วยไม่เสียเวลาแก่ผู้ปฏิบัติด้วยไม่ได้ต้มตุงนใครเลยไม่ได้รวงโลกด้วยวิธีต่างๆรู้ก็ว่ารู้ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นตรงไปตรงมาไม่เสียประโยชน์แก่ผู้พูดด้วยไม่เสียประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยไม่เสียประโยชน์แก่ผู้เอาไปปฏิบัติด้วยจะเป็นสุขเพียงไหนทนี่ซึ่งรามระยะ ที่นี่ถ้าเราไม่ดื่มหน้าเมาที่นี่การทำหน้าเมาแต่ละปีละปีจะหมดข้าวกี่ตันข้าวที่ทำหน้าเมาเนะี่ยเอามาเลี้ยงคนก็ได้มากแต่ไม่กินมันก็เมาอยู่แล้ว สำหรับเป็นเครื่องอาหารก็จริงแต่ว่าอาหารพขี่เมาอาหารไม่รอบคอบนะทีนี้ศินทั้งห้าถ้าร่วงแล้วก็มารวมอยู่ที่ข้อต้นถ้าเมาจนเกินไปผลสุดท้ายก็ฆ่ากันก็มารวมที่ปานาติบากลายเป็นปานาติบาไปละทีนี้ อธิกรณ์อสองเรื่องเท่ากันนะมุสาถ่าพูดปลดหลอกลวงจนเสียทรัพย์สินหรือตลอดจนเสียชีวิตห ร, ออรืออะไรต่ออะไรก็มารวมอยู่ที่ข้อปานาติบาตข้อข่ากันเองกาเมศวิชัาจารย์มึงเล่นเมียกูกูเล่นเมียมึงกูรับลูกสาวมึ ง, มง รับไถ่รับถอนสารพัดผลชุดท้ายก็มารวมที่ข้อปานาติบาข่ากันอาินนาทานถ้าใหญ่โตเขาฐานมาก็อันเดียวกันรักซกจกห่อสารพัดที่ป่นสะดมผลชุดท้ายก็ลงมารวมที่ข้อค่าตามเดิมปานาติบาทนั่นี่เท่านั้น เป็นเป็นสีนตัวสาคัญที่สุดตัวฆ่าตัวแกนใจใดไม่รู้จับใจใจนั้นก็ยิ่งไปพบภัยยิ่งไปก็ยิ่งไปพบภัยที่อายุไขก็ไม่พบสุดใจใดไม่ปฏิบัติใจใจนั่นก็ไม่ปฏิบัติธรรมธรรมนั่นก็ไม่ปฏิบัติใจ ใจใดมีข้อวัดปฏิบัติใจนั่นก็มีทําเป็นข้อวัดปฏิบัติใจใดไม่รู้จักเหตุจกผลในทางที่ดีที่ชั่วผลของทางที่ดีที่ชั่วก็มาไหลทักใจอยู่โดยโตรงก็จะเิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันใครเป็นผู้พานั่งก็คือใจเป็นผู้พานั่งคนตายนั่งมันินตินทูพยุงตัวอยู่ก็ต้องร่มลง ทำย่นลงมาเป็นหนึ่งศีลก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งสมาธิก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งปัญญาก็รอบลู่ลงมาเป็นหนึ่งรอบลู่ในใจศีลตัดศีลลงในใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญารอบลู่ในใจย่นศีลสมาธิปัญญาลงมาที่ใจศีลห้าก็ตามศีลแปก็ตามศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดก็ตามรวมลงมาแล้วก็เป็นศีลตัวเดียวกันในจิตในใจนี่เอง สมาธิก็เหมือนกันจะมีนานาสมาธิก็าตามจะมีนานาปัญญาก็าตามรวมลงมาแล้วพออยู่ที่เอกปัญญาในปัจจุบันเอกศีลเอา ก, า ส, เอากาสมาธิอยู่ในตัวโลกอดีตโลก อ, าาาอานาคตสังขารอดีสังขารอนาคตรวมลงมาอยู่ในสังขารปัจจุบันถ้าไม่สงสัยในปัจจุบันถ้าไม่แจ้งแทงตลอดในปัจจุบันถ้าไม่ ย, ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันพวกนั้นก็ดับรอบแล้ว ผู้รู้ในอดีตผู้รูในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันย่นลงมาเป็นเอกะผูรู้ในปัจจุบันถ้าไปติดอยู่ในผูรู้ในปัจจุบันผู้ทั้นคนแบดรอบแล้วก็พ้นไปจากโลกแล้วพ้นไปจากความหลงอีกรู้ไอ้ผูรู้ที่ไม่มีพิษมีสงไม่มีความหลงของตนชนะความหลงของตนก็คือผู้รู้ท่านทุกคนไปแล้ว ผู้ลูกของศัตรูทั้งหลายที่มีกิเลสหนาปัญญายาวก็ต้องเป็นผู้ลูกที่มีพิษอยู่มากใครไปแตะต้องก็ไม่ได้เหมือนงูเหา่าเหมือนงูจงอางต้องเป็นพิษขึ้นเลยทางพานขึ้นเลยทางพานคอขึ้นเลยพ่นพิษขึ้นเลยฉันพู้พไปแล้วไม่ได้เป็นแต่พวกเรา ก็พยายามอยู่ไม่ได้ท้อถอยพยายามนะอยา่าวุ่นอยก่อยกคุ้นไร้ชาไม่อยากมาเป็นเปรตเศ้าโลกไม่อยากมาเป็นเปรตเศ้าร่างกระดูกเขเคยเป็นเปรตมารลาชาหลายพบแล้วเมืาเข้ากินมาเข้าถ่าย มาเข้าได้มาเข้าเสียสิ่งที่สมมุติว่าได้สิ่งนั้นก็จะถูกเสียสิ่งไหนที่สมมุติว่าเกิดถึงนั้นก็จะถูกแก่ถูกเก็บถูกตายลาบไปเกิดแปลว่าสมมุติว่าได้แก่เก็บตายแปลว่าในฝ่ายเสียฝ่ายไม่ต้องกางอลาวเสียแล้วได้ก็เสียมาเป็นคู่กัน พอสมมติว่าได้มันก็เสียชื่อหน้านี่นาฬิกาเดินจงัจองๆอย่างนี้สมมติว่าได้ท่านั้นวินาทีมันก็ผ่านไปอย่างพึงไผ่อย่งน่ะล่วงไปล่วงไปไม่ละอายเลยเกิดอย่างเต็มที่ก็แก่อย่างเต็มที่ก็เก็บอย่างเต็มที่ก็าตายอย่างเต็มที่ก็วิโยคพัดภาคอย่างเต็มที่ถ้าคิดไม่รู้เท่าถึงการก็โศกอย่างเต็มที่ ก็หลงอย่างเต็นที่นข้ามทะเลหลวงด้วยพระสติะปัญญาปัญญาที่เกิดก็เพราะพิจารณาไข้ปวดปัญญาที่ไม่เกิดก็เพราะตรงนันข้ามปัญญายักปฎิสุทธิ์สติบุคคลจะบริสุทธิ์ตอนไหนๆก็เพราะปัญญาบุคคลผู้จะไม่ถือมั่นก็เพราะปัญญา บุคคลผู้จะพ้นก็เพราะปัญญาจะพ้นจากความหลงของตนเองท่านบัญญัติอวิชชาอวิชชาก็คือบัญญัติว่าอ ว, วิชชาก็แปลว่าง่วิชาแปลว่ายาดราวิชาจารณะสัมปันโนถึงพ้มในวิชาในจารณะจารณะเรื่องประพฤติเพื่อวิชาสุขโตจึงจะข้ามไปในสิ่งที่สงสัย โลก็วิทูจึงจะรูดแก้งโลกเราเห็นอนิจจังเขาเรียกว่าโลกะวิทูแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเราเห็นความตายขณะกินเดียวก็โล ก, กะวิทูเหมือนกันแต่สาวากะโลกะวิทูมันไม่ใช่สัมมาพุทธะโลกะวิทูเพราะโลกเต็มไปด้วยความตายเห็นธาตุดินน้ำไฟรมชัดก็เหมือนกันเพราะโลกในส่วนลูกเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมเขาเรียกว่าโลกะวิทูเหมือนกัน แต่เป right. hmm. ็นสาวกะโลกบิทูไม่ใช่พุทธสัมมาสัมพุทธะโลกวิทูเพราะพุทธมีสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าจําพวกหนึ่งสาวกะพุทธพวกสาวกเพศผู้ชายจําพวกหนึ่งสาวิกาพุทธพวกสาวิกาเพศผู้หญิงจําพวกหนึ่งปัจเจกพุทธพระปัจเจกจําพวกหนึ่งเรียกว่าพุทธสี่จาพวก แต่เราจะอยู่ในจำพวกไหนก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ปฏิบัติผู้จง ก, การท่านผู้สร้างบา ร, รมีเป็นสมมาสรรมพุทธแต่ยังไม่ทำถึงสมมาสรรมพุทธแต่ยังไม่บริบูรณ์ก็เรียกว่าพุทธทางกูลปฏิบัติข้อวัด ปู่ย่าตาทวดเราไปไหนไปแล้วปู่ทวดย่าทวดของเราไปไหนไปแล้วตาทวดยายทวดของพวกเราไปไหนไปแล้วบิดาวันดาของพวกเรายังอยู่ก็มีไปแล้วก็มีตาคุณตาคุณยายก็ไปแล้วไปที่ไหนไปนอนที่แผ่นดินส่วนธาตทั้งหลายธาตดินหน้าไปลง ดินก็แตกไปเป็นดินน้ําก็แตกไปเป็นน้ําไปก็ไปเป็นไฟตามเดิมส่วนวิญญาณของท่านหรือของท่านผู้ใดก็ดีก็ตามไปไปตามยะขากรรมของใครของมานนั่งนั่งอยู่ที่นี่ก็นั่งนั่งอยู่ที่ป่าชา้าส่วนในลาไส้ของพวกเรามีป่าช้าอะไรอยู่บ้างป่าชา้า ปลาทูปูเข็มสาลาพัดโคกระบือสุก่อนเป็ดไกมูเห็ุเป็ดไป่สาลาพัดปลาช่าอยู่ในนท้ตัวของเราทั้งตัวก็คือปลาช้าเพราะจะได้ทิ้งซาในปลาชาป่าช่าในส่วนจิตใจยังมีอีกละเอียดกว่านั้นอีก ถ้ามัวแต่โลกโแต่โกรแต่หลงอยู่ก็คือป่าช้าเพามันช้านะจะมาท่องเที่ยวในวัดจ้าทงศาลอีกเขาเรียกฝ่ายช้าเหมือนกันโลกโกรหลงป่าโรคป่าโกรป่าหลงก็เรียกว่าป่ายช้าเหมือนกันแผ่นดินตอนไหนที่เราไม่ได้อยู่ไม่มีนะอืก็เราเคยมาท่องเที่ยวในวัดจ้าทงศาลนานเลยแสนานแล้ว ซึ่งมาพบมาเจอมาเจ็อกันเป็นเรื่องเก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วนั่นเองผู้เจออ้าก็ไม่ใช่ผู้เจออ้าก็แต่ของหลวงปูคนเดียวหรือของหลวงพ่อหลวงตาคนเดียวของพวกคุณทั้งหลายเหมือนกันก็เคยท่องเที่ยวมาแล้วเคยมาทิ้งชากไปแล้วในใจโลกทานอันนี้ นี่เวียนมาใหม่เป็นรอบใหม่ๆเฉยๆแต่ก็เป็นรอบเก่าที่เวียนมาเองรอบเกิดรอบแก่รอกเก็บรอบกายไม่รู้ว่ากี่รอบมันมีเงินต้นเงินปลายและทั้งหลายที่ต้องเที่ยวในวัฏตสตงสารเห็นเป็นจริงรอยู่อย่างนั้นนอนก็ต้องนอนหลับพาภพาวนา เื่อกว่านอนมีข้อวัดเดี๋ยวนึกโล่นนึกนี่อืมไปไม่มีประโยชน์นึกจะทำาะัรนนนึกจะทําวันนี้ถ้าไม่ถึงวันรุ่งเช้ามันก็ไม่ทํำไม่ได้ทํำดอกภาวนาเสียดีกว่าให้มันหลักคากันเรียว่าผู้มีข้อวัดรพระบรมสารีริาสว่างพระโอก ค, คันลาและทําความเพียรอยู่ที่บ้านบรรวาลมุตตรรม นั่งสับประมอกงงง่วงหรือตรงนี้โมฆราเราจะบอกวิธีการงวงง่วงให้เธอถ้าว่าเธองวงงง่วงเธอจงแยนดูดาวทั้งสี่ทิศข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอหายง่วงถ้ายังไม่หาย เธอจงลูกตัวด้วยฝ่ามือมีสติอยู่ที่กลับที่รูปไปรูปมาก็จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ถ้ายังละไม่ได้เธอจงเดินจงกลมกลับไปกลับมาและมีจิตไม่คิดไปภายนอกให้อยู่ในกับปัจจุบันที่ก้าวเดินไปและกลับหลังถ้ายละยังไม่ได้ เธอมีมวลอะไรที่เธอจำมาเธอต้องท่องบนเสมอๆก็เป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ถ้ายังละไม่ได้เลยเธอจงจำกลางวันไว้ให้ดีแล้วทาจิตทํารรรรใจให้สว่างเหมือนกลางวันเสมอๆํอำจำสัญญากลางวันไว้กลางวันนั้นมีลักษณะอย่างไร ก็ให้จําไว้ให้แจ้ก็เป็นเหตุทลระของงวงได้ทาระยังไม่ได้เธออยาเป็นผู้อวดดีและชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลงโมกคณาปฏิบัติตามคมสอนของพระบรมศาตราใน ในวันนั้นก็ได้สำเร็จพระลานในวันนั้นพระสารีบุตรได้กลืนเลือดพออุปสมบทมาสมโุขคลาได้เจ็ดวันก็าสำเร็จพระลานวนาทนะของใครของมันจริงเรานี่ อ, อวาสนาเราต่ตําต้เราจะไปนอนบ่นอยู่ว่ามันต่ำโต้จะไม่สร้างมันก็ต่ําต้อ ย, อยู่นะ่ ที่ท่านพูดใดจะปลาลบอะไรทีนี้ไม่รู้จักว่าะจะปลาลบอะไรทีนี้นุ่งเยิงมน้อูกูพอดีจิงเก็จุใจกับพวกของพวกท่านให้พวกท่านถามออกทำนาเมืองสู้ไม่ไหวหรอกต้องทำนาสวนจับไปดำออก ให้มีสิทธิ์ทุกๆท่างมีสิทธปปิ์ตารบถ้าอย่างนั้นจะง่วงนอนกันปู่ครับมีฐานตำรวจเขาต้อง้การบานเทิงต้องต้องการมึงไม่ไม่ปธิบทัทมีฐานที่ตัดสินศานชีวิตคน ถ้ากฎหมายตั้งไว้แล้วทำตามกฎหมายมีคำแย้งมือนกันกนหมายจะตั้งโดยคนที่มีกิเล่ตั้งโดยคนที่มีกิเล่ตั้รวจทหารถ้าหากว่าไปจับเขาหรือไปฆ่าประแกง <c oughs> เขาพูดที่เขาเบียดเบียน <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็บาปอยู่แต่ว่าไม่มาก ถ้ า, าว่าเขาไม่ได้เป็นจำเลยเลยแต่หาเรื่องของเขามันก็ยิ่งหมามากมาแต่คงจะเป็นพ้นของกรรมกันมาแต่ชาติก่อนเคยสนองกันมาแล้วเห็นที่เข า, ขาลักเขาเรียนตั้งตัวเวลาค่าฆ่าสัตว์ยหู弩อะไรเอามาทดลองวิจัยยาฆ่ารูา้ค่าต่า นี่ก็เป็นบาปบากบาปมากถ้ามีผู้มาลองทดสอบของเราเราจะพอใจหรือไม่ถ้าเรื่องขพอดออกเราก็ไม่พอใจผมก็ชอบเขาเขาข่าแล้วผมก็หายใจแล้วก็ไม่มาดูก่อามเรีย น, น, นอ่หรอมรม่ร่หรมหรืม่ห่ม ทิานี่นะฮะแล้วก็บอกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยฮะถ้าบอกว่าปลาไปแล้วี่ตกนรกหผู้มีผู้ผู้ผู้ผู้มีทิ้งห้าไปจไม่ได้ตกนรกไม่ตนรกไ่ราว่าทินี่แต่เมาถึมจะไม่ได้สมาพิไม่ได้ไม่ได้ดูประทนลบมากอะไรก็ไม่ต ก, กไม่ไม่ตก พระเวรัมณีเว้นแล้วตกบนไหนก็เวรัมณีเวรัมณีแปลว่าเวนมณีตัวนอนีอเรียกว่าเว้นแล้วผมก็สี่หานีเทเลยนั่นคือ ส, สุขจริตจรินี่เลยสุขจริตก็คือไปหาสุดพระศีลมีความท้ายนี่สุขจริตเทเลนีิส<อ>ุขจริตไปถึงพระนิพพานก็พระศีล<อ>เห็นชนะเห็นชนะสังคายนายขั้งที่หนึ่งชันจึงใ ส, ส้สังขายนาศีล ถ้ชินเป็นรากแก้วพระพุทธศาสนาชินเป็นรากแก้วของควประพฤติคือหัวใจพูดอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายเพราะว่าไปอินเดียนี่การอายคุปอบายคุปจริงถ้าไปดีก็ถ้าไปดีก็กันถ้าไปไม่ดีก็ไม่กันไปไปดีนี่หมายอะไรเลยหมายถึงคุณมระพุทธธรรมประสงค์ไปดีจริงๆถ้าไปอวดเงินอวดควําเฉยอืม ไปเพื่อแข่งนี้กท่านผู้อื่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไห ม, มถ้าไปด้วยความสังเวชสรจิตอยากจะเห็นเรื่องสายศรัทธาเออเขามีเงินกูก็มีเหมือนกันไปแข่งกันขันกันมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ ม, มันก็ไม่ได้บุญมากสังเวชที่สังเวช ใ, ในสังขารสังเวชในสังขารก็ถูกสังเวชในที่อยู่ของพระองค์ก็ถูก ที่ประสูที่ตัสลูที่ป ร, รินิพานที่แสดงธรรมจับ